น้อมฟังธรรมกันก็เป็นวงคลของชีวิตที่เราเกิดมาในชาติหนึ่งถ้าเราเกิดในยุคที่ไม่มีพระสัทธรรมคำสอนช่วงนั้นเราเองก็จะมืดบอดไปด้วย เพราะเราไม่รู้ว่ามีผู้ที่มาตรัสรู้ชี้บอกในหนทางออกอย่างคำว่าพระอนาคามีผู้ใฝ่พระนิพพานสัมผัส ผลของใจหมดปฏิพัตรักใครในกลางจึงได้สมยานามว่าผู้ทวนกระแสรหรือพิสุผู้ที่ได้เห็นภัยแล้วแต่อย่างพุทธชนเรา <c oughs> เราเองก็อย่าง เกือกกลั่วกันอยู่ไม่มากก็ น, น้อยก็ยังมีถ้ามีมากก็จนถึงการแย่งชิงกันรบลาค้าฟันกันมันก็เป็นเหตุ ที่ก่อให้ภัยเกิดขึ้นสันตกายโยสันตวาจโยสันตมนโนสุสมาหิโตวันตะโลกามิโซภิกขุอุปสันโตติวุจติซึ่งแปลว่าพิสุผู้มีกายสงบมีวาจาสงบมีใจสงบ ใจสงบตั้งมั่นและโลกามิตรได้เรียกว่าผู้สงบจริง <c oughs> ฉะนั้นถ้าเราฟังในช่วงท้ายของประโยคนะประโยคที่แปลและโลกามิตรได้ เรียกเรียกว่าผู้สงบจริงโยมสังเกตดูไหมว่าในพรานที่เขาดักเยื่อที่เขาได้เยื่อก็ส่วนมากไปติดกับไปหลงเยื่อหรือเพลิดเพลินในเยื่อ จนลืมว่าเราก็เป็นเหยื่อในที่สุดหลายคนยังไม่ได้คิดและก็ไม่ได้พิจารณาในที่สุดตัวเองก็เป็นเหยื่อบางที โยมดูปลาเมื่อไรปลาไปกินเหยื่อปลาตัวนั้นก็เป็นเหยื่อเหมือนกันมนุษย์เราก็เช่นเดียวกันเมื่อไรพวกเรานะพวกเราไปติด โลกรมิตรบันนั้นพวกเราก็เป็นเหยื่อพวกเราก็เป็นเหยื่อเหนื่อยตายเลยหลายคนก็บ่นว่าเหนื่อยจะตายจะหยุดไม่ได้ เหนื่อยจะตายบอวุ่นวายจะตายแต่ไม่ยอมหยุดไม่ยอมเลิกไม่ยอมละไม่ยอมวางอยากได้แต่เหยื่อแต่หารู้ไม่ว่าตนเองก็ตกเป็นเหยื่อ ในขณะที่กำลังจะกินเหยื่อต้องพิจารณากันสักนิดหนึ่งทำไมองค์สมเด็จพระผู้มีพระภ า, าคจึงไม่ติดอยู่ในส ก, กลุล เพราะหนทางนั้นไม่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้เป็นคำที่สั้นแต่มีความหมายที่มากด้วยคุณค่ามีลาลัยคนเขาตั้งคำถามต่อองค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคนะว่า คาดแต่พระองค์ผู้จเจริญเหตุชนไหนพระองค์จึงสละราชสมบัติพระองค์รังเกียจหรือไม่ยินดีในทรัพย์สมบัติหรือจงเกลียดจงชังสิ่งนี้หรือยมเช่ไหมผู้พุทธเจ้า รับสั่งอย่างไรหรือตรัสอย่างไรบอกดูก่อนพลามสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่เป็นของรักของพอใจของเจริญใจที่กรามมา เมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุใดพระเจ้าค่ะพระองค์จึงสละละทิ้งสิ่งนั้นเสียดูก่อนพราหมณ์สิ่งนั้นไม่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้ อนุตรสัมมาสัมโพธิญาตมีผู้ถามอีกว่าชายาของพระองค์หรือภรรยาบุตรหรือโอรสของพระองค์พระองค์ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่ชอบใจหรือพระเจ้าค่ะ จึงละทิ้งสิ่งนั้นเสียบอกดูก่อนพรามสิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นที่รักของเราดุดดังดวงใจเพราะเหตุใดพระเจ้าค่ะพระองค์จึงละทิ้งสิ่งนั้นเสีย พรามเพราะสิ่งนี้ไม่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้ในอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหรือสัพพัญญุตยญาณยังมีผู้ถามพระองค์อยู่เรื่อยเหตุใดพระเจ้าค่ะพระองค์จึงไม่ยินดี ในกา ร, รมาคุณอันพรั่งพร้อมด้วยกรรมมคุณห้าอันมีรูปเสียงกลิ่นรสการสัมผัสและใจที่เสพด้วยอารมณ์แห่งกรรมมคุณสิ่งเหล่านี้เป็นที่รังเกียจของพระองค์หรือพระเจ้าค่ะ บอกดูกรรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์ที่ชอบใจทั้งหมดไม่เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกขเราจริงละเสียเหตุแห่งความทุกขนั้นไม่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้ าญาติโยมพวกเราได้รับฟังอย่างนี้ท่านน้อมมากันจริงๆนะมาพิจารณากันทำไมพระพุทธเจ้าบอกสิ่งนั้นเป็นของรักของชอบใจของเจริญใจดุดดังดวงใจดวงแก้ว แต่พระองค์ต้องละสิ่งนั้นให้เป็นอนดีตที่ถูกลืมแต่ยังจำได้ทำไมพระองค์จึงหันหลังให้กับสิ่งเหล่านั้นทั้งทั้งที่ชีวิตในภพชาติที่เกิดมาเนี่ยพระองค์ก็มีสิ่งนั้นมาตลอด จริงใช่คาว่าผู้มีกายสงบวาจาสงบผู้มีใจสงบอันตั้งมั่นแล้วนะละโลกามิตรได้เรียกว่าผู้สงบแท้จริงก็แสดงว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด ไม่เป็นไปเพื่อความสงบจริงๆยมลองกระลึกดูนะเมื่อไรยมหมกมุ่นกับสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดที่มันมีอยู่จิตของเราก็ยังสับสนวุ่นวายยังไม่ถูกปลดปล่อยยมลองปลดปล่อยตัวเองดูนะ บางคนมามาได้แต่ร่างกายนั่งคอตกก็มีแต่ว่าใจก็ยังลอยไปลอยมาแม่งูเอย๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบอดโศกก็โยกไปก็โยกมากินน้ำบอด ช, ชายก็ย้ายไปก็ย้ายมา กินน้ำบ่อยหินก็บินไปก็บินมาเห็นไหมโยมธรรมะสมัยใหม่มันเป็นอิสระแต่มีเนื้อหาสาระแก่นที่เราเราฟังชีวิตต้องถูกปลดปล่อย เมื่อชีวิตของเราไม่ปลดปล่อยวิญญาณของเราก็ไม่ได้รับคาว่าอิสระรู้สึกหรือเปล่าว่าจิตเราไม่เป็นอิสระทั้งดังที่เราเองก็เดินไปไหนมาไหนได้เหมือนกับที่เราอยากจะไปแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่เรียกว่า ใจมีเครื่องผูกสายป่านยาวแค่ไหนเนี่ยมันก็ยังพรอนับเม็ดวาได้แต่สายใจเนี่ยโอ้โหมันมันยาวจนเรียกว่าข้ามภพชาติได้ มีมาตั้งแต่อดีตดำเนินอยู่ในปัจจุบันและกำลังเจริญไปสู่อนาคตบางคนยังคิดว่าฉันขาดเธอไม่ได้เห็น ไ, ไหมไปถึงอนาคตนะจริ ง, รงๆได้เชื่อเธอเชื่อแต่ใจมันยอมรับไม่ได้สิ่งนั้น มันเป็นเครื่องผูกมันเป็นเครื่องผูกเกิดมาเนี่ยโยมจิตเดียวดวงเดียวแม้เป็นคู่แฝดก็ยังจิตคนละดวงแต่อาจจะใช้ DNA อร่วมกันก็ได้นิสัยใจคออาจจะใช่ว่าต้อง เหมือนกันแม้เกิดหลังก่อนห้านาทีส0บนาทีก็สุดแล้วแต่ฉะนั้นถ้าเราไม่ปลดปล่อยชีวิตที่เรียกว่าจิตวิญญาณที่เป็นใหญ่อยู่ตรงเนี้ยเขาจะไม่พบความสุขจริง มันมีแต่ความห่วงและความกลัวกลัวว่าสุขจะหมดไปกลัวว่าสุขนั้นจะหายไปกลัวว่าสิ่งนั้นจะจากเราไปเราจรึงบอกขาดสิ่งนี้ไม่ได้จริงๆมันต้องขาดทำใจเถ้โยมมาถึงสำนักแล้ว ทำใจเด้อย่อาเอ้ยมาเม่ใหญ่เป็นบอกเด้ทำใจเสีห้ามเอ้ยเมันว่าทำใจยังไงยังไงมันต้องขาดแน่นักหรือเธอฉลัดตัดฉันลงแน่ในที่สุดมันก็เป็น ดังที่เป็นไม่ใช่เป็นดังที่เราจะให้เป็นถ้าโยมอยากให้เป็นดังที่โยมอยากให้เป็นมันเป็นมานานแล้วไม่ต้องเป็นดิ้นรนดอไม่ต้องมานั่งเกาหัวเกาแขนเกาก้นอยู่ใช่ไหมล่ะโยมไม่ต้องมานั่งกลัวไม่ต้องมานั่งผวา และไม่ต้องไปคิดให้จิตใจของเราเองหมดคำว่าอิสระในไหนพวกเราจะต้องตายถูกไหมขออย่างหนึ่งเอถอะถามว่ขออะไรบอกไม่ได้ขอโลกนี้แต่ขอชีวิต ที่เป็นชีวิตจริงไม่มีคำว่าเสแสงแ้งแกล้งมายาไม่มีม่านบังตาขอชีวิตที่มันเป็นจริงแล้วเราจะอยู่กับความจริงที่มีชีวิตอย่างไม่มีทุกข์ถ้าใครทำได้วิปัสสนาเกิด วิปัญนาเกิดจริงๆถึงไม่ได้ผ่านอ่านพระไตรปิฎกมาถ้าฟังทำเป็นอย่างนี้ปฏิบัติจิตได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ปลดปล่อยความติดยึดอยู่ในรูปนามขันธ์ธาตุสำคัญนะยมรู้ไหมพระพุทธเจ้าเราเนี่ย สอนมีความละเอียดมากให้เราพิจารณาจนเห็นว่าสักวัฒา์ทาตุมัตะโกเป็นสักวัาต์ตามธรรมชาตินิสัตโตมิได้เป็นสัตว์วะอันยั่งยืน นิจชิโวมิได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคลสุญโยว่างเปล่าว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนหรือว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวกูของกูถ้าเราพิจารณาทำได้อย่างนี้จริงๆนะ ภบภูมิชาติของเราจะถูกปลดปล่อยเราจะได้มีอิสระและจะได้รู้ความจริงว่าสุขแท้จริงของพระอราหันต์เขาสุขอย่างไรสุขที่พระพุทธเจ้ามีสุขอย่างไร สุขที่พระประเจกพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ธรรมโดยเฉพาะของแต่ละพระองค์ท่านสุขอย่างไรของพวกเรานี้สุขแบบปุตุชนย้ำของพวกเราสุขอย่างปุตุชนที่ยังมีเครื่องผูกด้วยทุกข์อยู่หรือมีเครื่องจองจําในจิตใจให้ผูกมัดติดอยู่ในสิ่งนั้นๆ ถ้ายิ่งพิจารณาแล้วก็ยิ่งจะเข้าใจไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่พิจารณาเราก็คิดว่าชีวิตอย่างมนุษย์เราที่เกิดนั้นก็มีความสุข มันเป็นความสุขแค่ครื่งเดียวสุขได้ในความไม่เที่ยงสุขได้ด้วยความไม่ยั่งยืนและก็ไม่ยืนยาวและก็ไม่ถาวรมันเป็นความสุขที่ไม่พ้นทุก์ในจุดจบความสุขของพวกเรานะฉะนั้นทำไมจริงมนุษ ยังหยุดสแสวงหาความสุขไม่ได้เพราะมนุษย์ยังไม่รู้ว่าสุขจริงคืออะไรโอตะเกียนตะกายน่าดูเลยทำทุกวิธีทางสแสวงหาทุกรูปแบบแต่ก็ได้แค่โลกามิตรอิงอยู่ด้วยอามิตร ไม่ได้อยู่เหนือสภาวะในตัวตนวัตถุสิ่งของพวกเราเคยสุขคำว่าใจไม่มีเครื่องผูกหรือเปล่าถ้าเราเข้าใจดีเมื่อก่อนต่อมาก็ก็เคยเข้าใจว่า เรามีความสุขมันหลายคนเขาบอกไม่อยากให้วันนี้จากไปหรือหมดไปเวลานี้อยากให้สิ่งนี้หยุดอยู่แค่นี้ด้วยวันเวลาแต่มันไม่ใช่ไม่มีใครหยุด การละเวลาได้หรือการเวลาได้ไม่มีเลยก็แสดงว่าคำที่มนุษย์ร้องขอให้หยุดอยู่ในคืนนี้หยุดอยู่ในเวลานี้มันไม่ได้มันก็เคลื่อนคล้อย แล้วก็จากไปอีกแสดงว่ามนุษย์ยังกลัวคำว่าการจากยังกลัวคำว่าความไม่เที่ยงและยังไม่รู้ซึ้งถึงสภาพทุกข์อันแท้ที่จะออกจากทุกข์ได้มันสำคัญนะ สำคัญจริงๆโยมไม่สังเกต ด, ดูว่าบรรดาเหล่าพระอาหารหันต์ทั้งหมดใจของท่านที่หลุดออกได้เป็นเพราะอะไรรูะ ท่านเห็นความเกิดและท่านเห็นสิ่งที่ปรากฏแล้วท่านกำหนดอยู่ด้วยความแปร ى, ความเปลี่ยนและความไม่เที่ยงที่ไม่ตั้งอยู่ได้นานแล้วก็ดับไป ท่านนั่งดูนะแล้วก็ดูทุกองค์ไม่มีองค์ไหนที่ถึงคุณธรรมในขั้นสูงจะไม่ได้กำหนดจิตอย่างนี้เลยทุกองค์กำหนดเช่นนี้หมดเลยท่านเห็นความเกิดไม่ว่ารูปกายไม่ว่าสภาวะที่มีอยู่ โดยจิตที่เข้าไปรู้สรรพสิ่งทั้งหมดแม้ความคิดที่ปรากฏอยู่ท่านดูอย่างไรจริงทวนกระแสทำไมไม่ดูอย่างเหมือนพวกเราดูรู้หรือเปล่าว่าท่านดูกองไฟ ดูจนไฟนั้นเผาเชื้อจนหมดแล้วไฟนั้นก็ดับไปแต่ของพวกเราเนี่ยดูไฟเป็นความร้อนและก็ถลกแต่ท่านดูไฟที่กำลังเผาเชื้อดูจนไฟนั้นดับ แล้วก็ไม่เหลืออะไรที่ต้องโศกเศร้าพิไรร่ำไรหรือเสียใจเอายมดูนะดูไฟดูกองไฟคนละกองเอาสติเอาจิตกำหนดดูเหมือนนั่งเห็นอยู่ตอนนี้ มันจะลุกโหมไม่สักเปลี่ยนใดในที่สุดเชื้อหมดไฟก็ดับหลักมันมีแค่นี้จริงๆมันเป็นทั้งวิทยาศาสตร์เป็นทั้งพุทธศาสตร์พอเชื้อหมดไฟก็ดับ ยงมเข้าใจว่าอย่างไรทุกคนเข้าใจอย่างไรไฟดับแล้วโยงไมไปคุยหาขี่เท่าก็สุดแล้วแต่คนหาชีวิตอย่างไรก็สุดแล้วแต่ แต่ถามว่าสิ่งที่โยมเจอเมื่อหลังจากไฟดับแล้วโยมเจออะไรเจออะไรรู้ปล่ะโยมจะต้องเจอสัจธรรมความจริงที่มีอยู่โยมต้องพบคำว่าปัญญาหรือพบคำว่า สติสัมปชัญญะและสภาวะธรรมที่เกิดปรากฏถ้าโยมเห็นตรงนั้นจริงเรามาคุยธรรมะและเข้าใจง่ายนั่งรินน้ำชาสดไม่เกินสามแก้วหมดเรื่องคุยไม่มีเรื่องต้องทะเลาะไม่มีความแค้นต้องล้าง ไม่มีความพยาบาทที่ต้องผูกไม่มีทรัพย์สมบัติใดที่ต้องยึดมั่นหมายต่อทุกคนเข้าใจจิตก็ว่างทำไมต้องว่างเห็นของจริงแล้ว ในความตายเนี่ยมันซ่อนอะไรอยู่หยือเว่าคนปฏิบัติเขาถึงความตายเห็นความตายรู้แจ้งความตายแล้วก็ไม่มีคำว่ากลัวในความตายนี่อย่างลงสู่อมตะ ยังลงสู่อมะตะธรรมพอกำหนดได้รู้ได้เห็นได้และรู้จริงแจ้งอยู่ภายในแล้วเมื่อความกลัวไม่มีความตกใจความสิ้นหวังก็ไม่มี วันเวลาจะเดินไปกีดชั่วยามมันไม่ใช่คือสิ่งที่เลวร้ายสิ่งที่น่ากลัวในเมื่อหยุดเวลาไม่ได้ก็จงปล่อยให้เวลานั้นเดินไปตามเกมมนุษย์กลัวที่สุด คือเวลาที่ไม่อยากให้มันมีที่มาถึงในเรื่องแต่ละเรื่องของแต่ละอย่างแต่ละเรื่องแต่ละคนแต่ดูแต่ดูเหมือนทุกอย่างมันก็เกิดจนได้ฉะนั้นโยมเห็นไฟดับเห็นอย่างไร โยมเห็นหรือยังไฟมันดับแล้วหลังจากที่โยมใช้ชีวิตทั้งชีวิตหรือในวันต่อวันโยมมองให้เหมือนไฟที่ไม่เชื่อและดับและจิตโยมจงดับลงตรงนั้นด้วย มันจะไม่ผูกพบชาติให้ยาวต่ออีกเลยแต่ถ้าโยมยังไม่ดับมันเหมือนไฟที่ยังไม่เชื่อไม่หมดมันก็จะไม่ต่อไปไม่ชั่วกับชั่วกันไม่ชั่วกาละนานพระอระหันต์ท่านดูไฟไม่เชื่อจนหมด พระพุทธเจ้าก็ดูไฟไม่เชื้อจนหมดพระปัจเจกก็เหมือนกันท่านดูไฟที่ไม่เชื้อจนหมดพอท่านเห็นไฟดับจิตท่านก็รู้ทันทีว่าอาดีตปัจจุบันสิ่งที่ล่วงมาแล้ว ไม่ควรยึดมันมาอีกเลยโยมต้องเห็นคำนี้ผู้บาเพ็ญภาวนาต้องรู้จักทำคำนี้และจิตจะต้องน้อมสภาวะธรรมให้ปรากฏเห็นเช่นนี้จริงๆเราจะเห็นว่าเป็นสักวะธ า, าตุตามธรรมชาติทาตุมัตะโก นิสสัตโตมิได้เป็นสัตว์อันยั่งยืนนิชีโวมิได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคลสุญโยว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนบันดับตรงนี้ว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน โยมมองจ้ะไอ้ที่โกรธเนี่ยความโกรธมันเกิดจากอะไรโยมนั่งมองตัวตนนิดนึงโยมจะรู้คนภาวนาถ้าไม่ย้อนกลับดูเวลาและก็ดูสิ่งที่เกิดโยมจะไม่รู้ความดับเลยมันไปหลงเกม ไปสนุกกับเกมหรือไปทุกข์กับเกมหรือเราไปติดความเป็นในเกมตรงนั้นต้องพิจารณาดูให้เห็นพอเราดูเห็นยิ่งเข้าใจเข้าใจเข้าใจ ความสงสัยเนี่ยมันจะหมดไปไม่สงสัยโกรธมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากจิตที่ยึดหรือไม่ยึดเกิดจากอะไรโยมต้องกำหนดเอง ความโลภความเกลียดความแค้นที่มันมีมาตั้งแต่อดีตแล้วจนถึงบัดนี้มันยังไม่ได้หมดเลยทั้งๆ ท, งที่วันเวลาชีวิตจะหมดอายุจะหมดแล้วแต่ใจของเราไม่หมด บางคนมันมากขึ้นกว่าเดิมก็มีเพิ่มขึ้นถ้าไม่กำหนดอย่างนี้เราไม่รู้คือไม่รู้ความจริงเราก็รู้แต่ทฤษฎีหรือรู้แต่การเรียนแล้วก็รู้ ก็รู้แบบเรียนมาแต่ไม่เคยรู้ว่าใจของเรามันมีตัวตนอย่างไรมันเกิดตัวตนที่ไหนทำไมมันไม่เป็นสักวัฏถ้าทำไมมันไม่เป็นความว่างมีแต่ความมั่นหมายในตัวตนของเรา กำหนดดูลองนึกภาพกว้างๆดูว่าถ้าสมมติสมมติว่าเราตายลงตอนนี้มันมีสาระอะไรบ้างความโกรธความเกลียดความแค้นความอาฆาตความพยาบาทความโลภความหลงในชีวิตที่มีอยู่ ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกามิตรอย่างที่มีอยู่ในโลกใบนี้ยยมไม่ยอมตายแต่กลัวตายท้งเดิที่จะต้องตายพวกเราจริงไปไม่ถึงทมที่พิจรารณาสู่ความหลุดพ้น ของเราอาจจะได้ทำที่เป็นไปเพื่อความสงบระงับในช่วงขณะจิตหนึ่งเมื่อเราไม่ไปยุ่งอารมณ์เดิมๆก็ดูเหมือนมันสงบลงแต่พอเรามีจิตเข้าไปยินดี ในอนดีตเย็ยนร้ายในอนดีตมันก็เกิดใหม่อีกละที่บอกใช้พบชาติกันแบบไม่รู้จบไม่รู้อยู่ในภพไหนภูมิไหนแล้ ว, วเรายังกำหนดไม่ได้กันปฏิบัติให้จริงเถยมสติเจริญให้จริง ตั้งให้มันชาตินี้อย่างไงอย่างไงต้องปิดอวัยภูมิให้ได้คืออย่างน้อยความเป็นโซดาปฏิมักโซดาปฏิผลเน่เราจะได้เห็นแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากเป็นเพียงว่าปัญญาของเรา เข้าไปรู้แจ้งจิตแล้วก็ละอุปทานมั่นหมายชีวิตที่ใช้มาที่จิตใจเราไปฝังอยู่กับสิ่งนั้นๆนะแล้วเราก็มามองเหมือนกองไฟที่เอาเชื้อใส่เยอะๆแล้วก็เผาไหม้ไหมจนเชื้อหมดแล้วไฟดับ ยมก็นั่งดูว่าทำไมไฟดับขบให้แตกทำไมไฟกล่องนี้จึงดับย้อนกลับไปและทำไมไฟกล่องนี้จึงติดมันมีเชื้อมีจุดและก็ติดไฟ แล้วมันก็เผาไหม้จนหมดไฟจึงดับถ้าเข้าใจกลองไฟนี้ได้ตมะว่ามองเห็นนะธรรมะตมะไม่ได้มองว่าไฟคือความร้อนอย่างเดียวแต่ไฟคือสิ่งที่เผาไหม้เมื่อมันไหม้สิ่งใดหมด มันก็ดับในเมื่อชีวิตของเราได้เดินผ่านอนดีตไปแล้วทำไมมันยังติดต่ออีกทำไมมันไม่ดับทุกเป็นอนดีตมันไม่ดับมันไม่หมดมันจริงหรือเอาบัญญากํกำหนดเข้าไปทำให้แจ้งทำไมมันไม่ดับ แสงว่าเชื่อของเราเนะี่ยมันเพิ่มตลอดถูกเสริมตลอดมีหน่วยเสริมมีกำลังเสริมเหตุนี้เองมันจริงไม่ยอมหมด พอรู้อย่างนี้โยมทําอย่างไรจรึงจะมีวิธีป้องกันจิตไม่ให้เชือ้อมันเพิ่มและสิ่งที่มีก็ให้มันเผาไม่เชื่อที่มีแล้วก็ดับลงมันน่าจะจบลงได้ฉะนั้นทําอย่างไรให้เรานั้นตายอย่างความทุกข์นั้นตายก่อน บางคนนี้ถูกบีบคั้นเอาความทุกข์มาฆ่าตัวเองตายมันไม่ใช่นายโยมทำอย่างนี้ไม่ใช่นักประราชไม่ใช่บัณฑิตไม่ใช่ผู้ที่อบรมจิตเป็นคนที่ยึดมั่นหมายจิตใจและปล่อยให้ใจนั้น เต็มเปด้วยอวิชชาตันหารและอุปาทานเอาความครับแค้นใจเอาตัวตนของเราแล้วก็ทำลายมรรคผลของตัวเองในภูมิชาติหนึ่งที่เกิดแก่เจ็บตายคิดแล้วน่าเสียดายน่าเสียดายในเมื่อทุกคน ไม่ต้องการทุกข์แต่ก็แปลกแปลกตรงนี้ว่ายังสแสวงหาทุกข์ในเมื่อทุกคนไม่ยินดีในทุกข์แต่ก็ดูเหมือนยังมั่นหมายอยู่กับทุกข์นั้นอีกทำไมต้องตอกย้า ทำไมต้องซ้ำเติมชีวิตที่มันผ่านมาแล้วเหมือนกับมันยังมีอยู่อีกโยมหลงเงาตัวเองมันชุนักหลงเนื้อที่อยู่ในน้ําที่ส่องเห็นมองยังไงมันก็ยังเป็นตัวยังเป็นก้อนเนื้ออยู่พอเ ท, เ ท, ทีเถอะธรรมาจะสูบน้ําให้แห้งดีไหม ไปยืนบนสะพานมองลงใหม่ดิมันไม่มีแล้วโยมเอาแรงสะท้อน <c oughs> กลับมาใหม่คนเราขาดปัญญาในเรื่องของจิตจริงๆฉลาดเรื่องอื่นมาก แต่โง่เรื่องจิตที่มันทุกข์แลดับไม่ได้โง่จริงๆนะเรื่องอื่นและฉลาดจังเลยหาเงินหาทองฉลาดมากมีไม่รู้เท่าไหร่ตัวเท่าไหร่ฉลาดแต่ก็ดูเหมือนว่าความฉลาดไม่ได้ทำให้เกิดความสุขอันแท้เลย มาว่าต้องไปฝึกปัญญาใหม่ของใกล้ตัวมองไม่เห็นไปเห็นของไกลตัวเรื่องคนที่จะดับก่อนไม่ดับสุดท้ายก็ไม่สามารถพ้นทุกข์ได้ จิตไม่หลุดพ้นได้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าความทุกข์เป็นภัยใหญ่ของมนุษย์ทุกขังอนาโถวิหารติผู้ไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่เป็นทุกข์ก็แสดงว่าพวกเราเนี่ยมีที่อยู่ ที่อาบที่ดื่มที่กินที่เที่ยวไปแต่จะหาที่พึ่งให้กับตัวเองจริงๆเนี่ยยังไม่มีแก่นแท้สาระจริงก็ได้แค่ดับทุกข์ทางกายพอหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำหรือเข้าสู่ร่มชายา หรือร่มไม้พวกเราเก่งแค่นี้เองหาเงินทองมาก็ซื้อความสะดวกสบายแล้วก็คิดว่าเอากรรมมงคุณห้ามาปนเปรอตัวเองจะได้มีความสุขถ้าสุขจริงยศะไม่เดินออกมาบนว่าวุ่นวายหนอถ้าสุขจริงเจ้าชาย ทั้งหมดในอดีตคงไม่สละออกมาจากในพันนครของตัวเองคงจะต้องติดอยู่กับกินกามเกลียดหรือกับกรรมคุณทั้งหมด สิ่งนี้เป็นการบ่งบอกว่าเมื่อท่านได้เสพสมทุนถึงที่สุดท่านก็รู้ว่าท่านยังไม่ได้พ้นทุกข์มันเป็นเพียงโลกียสุขที่ยังไม่พ้นทุกข์ท่านจึงต้องแสวงหาโลกุตรสุขที่ดับทุกข์ด้วย ฉะนั้นโยมตราบใดที่พวกเรายังสุขด้วยกำว่าโลกียสุขยืนยันเลยว่ายังไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ให้แสวงหาสักเท่าไหร่มันก็คือโลกียสุขที่ยังไม่พ้นทุกข์จะมีทรัพย์สิงทรินคารมากมายเพียงใดเพียงไหนก็ตามมีข้าทาสบริวารมีสิ่งเอื้ออํานวยความสะดวกสัก เพียงไหนก็ตามมันได้แค่โลกีสุขที่ไม่พ้นทุกข์ไม่พ้นเพราะสิ่งนั้นไม่เป็นไปเพื่อการปลดปล่อยจิตใจมันเป็นความผูกมัดของใจและก็เป็นทางอารมณ์เท่านั้นเองมันได้จากธรรมารม มันไม่ใช่ได้มาจากจิตที่หลุดออกหรือจิตที่ปลดปล่อยใจตัวเองให้ได้รับความเป็นอิสระเหมือนไฟที่เผาเชื้อหมดแล้วก็ดับเหมือนทุกที่ดับหมดแล้วโยมไม่ต้องหาว่าสุขอยู่ไหนมันเป็นคำตอบที่มีอยู่ในตัวเอง เหมือนเชื้อโรคไม่มีอยู่ในร่างกายโรค ก, ก็ไม่มีมันก็ไม่ต้องหาตรวจอย่างไรก็ไม่มีเช่นเดียวกับสุขในโลกุตระสุขไม่ได้เจือด้วยโลกามิตรไม่มีเครื่องผูกไม่มีสิ่งล่อสิ่งลวงไม่มีมา ย, ยา ไม่มีการเสแสง้งและไม่มีคำว่าการดิบดิน้นเป็นความสุขด้วยจิตอันว่างและก็ว่างเปล่ามีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งตมาแต่งและเคยเล่าไปแล้วละ่ะ ก็เคยนิทานเรื่องนี้ก็แต่งมาตั้งแต่พรรษาแรกเลยปฏิบัติไปมันก็พอจะเข้าใจอะไรบ้างก็ตั้งขึ้นมาว่ามีมานกอยู่พูดหนึ่ง ซึ่งมีร่างกายที่แข็งแรงเป็นชาวสวนชาวไรเป็นชาวไร <c oughs> เกิดมาก็มีผู้เป็นบิดามารดาอยู่วันหนึ่งก็ตัวเองก็โตขึ้นมีร่างกายที่แข็งแรง ก็บอกบิดามันดาต่อแต่นี้ไปท่านไม่ต้องทำการงานแล้วเราจะเป็นผู้รับทุระภาระในการเลี้ยงดูท่านนับแต่วันนี้ไปท่านไม่ต้องออกไปทำไรอีกต่อไปบิดามันดาฟังก็เปรื้อปีติจนน้ำตาไหลผู้เป็นบุตรก็เลยสงสัยว่า บิดามันดาของเราเป็นอะไรเราผิดอะไรหรือพูดอะไรผิดจึงร้องก็ได้ถามต่อบิดามันดาบิดามันดาบอกว่าเราที่ร้องให้เพราะความดีใจไม่ใช่เสียใจนับแต่วันนั้นมาชายผู้นี้ก็ตั้งหน้าตั้งตา ทดแทนเลี้ยงบิดามารดาก็ออกไปทำไร่เก็บพืชธัญญาหารมาก็เอามาตากในระหว่างในระหว่างระหว่างที่ตากฝนและพายุก็ตกลงมาฝนก็ตกพายุก็พมมาโอ้โหพืชที่เก็บมาก็เปียกลมก็พัด ปิวว่นไปหมดชายผู้นี้ก็เกิดความไม่พอใจว่าฝนพายุทำไมต้องมากันแกล้งมนุษย์อย่างเราก็เก็บเอาเข้าสู่ชายคาในบ้านฝนพายุก็หยุดชายนี้ก็ออกมาตากฝนก็ตกพายุก็หมายทำอย่างเงี้ยสามครั้งสี่ครั้ง ก็ยังเป็นอยู่แบบเดิมจนชายพุน่นนี้อดทนไม่ไหวแล้วกะตะโกนขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วก็ชี้เลยบอกทำไมฝนและพายุต้องมากลั่นแกล้งมนุษย์อย่างเราพื้นไร่ของเรากระยัดกระจายไปหมดเปียกไปหม ด, หมดเราจะเก็บไปขายเพื่อมาเลี้ยงดูบิดามันดา เหตุชนายจริงมากั่นแกล้งเราโนแลบพายุก็ตอบว่าช้าก่อนมานบชายผู้มีความกตัญญูเราไม่ได้กั่นแกล้งท่านเราคือฝนที่ตกลงมาก็เพื่อให้สัตว์ทั้งหลายมนุษย์ชีวิตพืชไร่ทั้งหมดจะได้เจริญงอกงามมีชีวิตอยู่ได้สัตว์น้อยใหญ่ ยังต้องการน้ำจากเราเราไม่ได้กันแกล้งท่านนะมนุษย์ฟังก็มีเหตุผลก็พอใจจึงถามว่าแล้วพายุทำไมจึงมากันแกล้งเราพือไรของเราก็กระเด็นกระดอนกระเจดกระจายไปหมดพายุก็บอกว่าเราที่พัดลงมาตรงนี้ ก็เพื่อให้พวกมแมลงทั้งหลายที่กัดกินพื่ไร่ผลหมากรากไม้ทั้งหมดให้หลุดร่วงไปเรามาโดยหน้าที่มิได้มีเจตนาจะกั่นแกล้งท่านเลยชายผู้กตัญญูเมื่อมานบฟังทั้งฝนและพายุอถาธิบายความเรียบร้อยเสร็จจึงพอใจอย่างนั้นเราก็ขอ โทษขออภัยด้วยที่กล่าวท่านว่าท่านกันแกล้งเราผลและพายุก็ปรึกษาว่าชายผู้นี้พูดมาก็เป็นเรื่องจริงดูที่พืชของเขาก็เสียหายเราควรที่จะให้รางวัลเขาเพราะเขามีความกตันอยู่เราจะให้พอรอยู่สามอย่างขออะไรมาก็จะให้ พอตกลงกันได้เสร็จก็บอกเอาละมานพก่อนที่เราจะไปจากท่านท่านปรารถนาสิ่งใดพร้อมสามอย่างเราจะประทานให้ตามที่ท่านขอดังต่อแต่นี้ไปท่านปรารถนาสิ่งใดจงบอกมาเถอะถ้าเป็นโยมโยมต้องการอะไรเพชรนินจินดาทอง ที่ไร่ที่นาหรือต้องการสมบัติอะไรยมลองคิดดูนะสามอย่างแต่มาฟังดูชายผูนี้ขอฝนพายุบอกขอมาเราจะให้ชายพูนี้ก็คิดอยู่นานเอพอพรในข้อแรก 1. เรามีร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภยคัยไข้เจ็บสิ่งนี้ก็เป็นพรอนันประเผฐแล้วก็เลยบอกฝนพยโยะบอกพรข้อที่หนึ่งเรามีแล้วร่างกายของเราแข็งแรงไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนเราเป็นสุขอันยิ่งแล้วพรข้อ น, นี้นั้นขอต่อมาข้อที่สอง ใช่ก็พูดนี้ก็คิดต่อพอคิดได้ดังนี้พ อ, อข้อที่สองเราก็มีแล้วเรามีความกตัญญูกตเวทีต่อ บ, บิดามารดาและเราก็ได้มีความสุขดีอยู่แล้วที่ได้ตอบแทนคุณบิดามารดาเป็นสิ่งประเสริฐสุดแล้ว ผลพายุบอกขอมาสิเราจะให้ท่านอีกข้อนึงท่านต้องการอะไรบอกมาบอกพรข้อที่สาบเราเป็นผู้มีอาชีวะบริสุทธิ์เป็นผู้มีอาชีพอันสุดจริตเราไม่เบียดเบียนใครเราอยู่ด้วยการไม่เบียดเบียนนี่ก็เป็นสิ่งประเสริฐสุดแล้ว เราพออยู่อาชีพของเราก็บริสุทธิ์เราไม่จำเป็นที่จะต้องขออะไรท่านเลยพรทั้งสามอย่างเราได้แล้วเห็นไหมโยมโยมดูว่าโยมได้อย่างพรสามอย่างนี่พอฝนพายุบอกในเมื่อเจ้าไม่ขอเราก็จะไปแล้วพอฝนพายุจะไปชายผู้นี้บอกหยุดก่อน เราขอถามปัญหาธรรมท่านสักข้อหนึ่งฝนพายุก็มองกันตกลงขอถามมาเถอะเราตอบได้เราก็จะตอบอะไรเอ่ยคือความสุขที่แท้จริงอะไรเอ่ยคือความสุขที่แท้จริงฝนและพายุก็มองหนะ้า แล้วก็บอกมานพชายพุ้นี้เจ้าจงกำมือออกมาเจ้าจงแบมือออกมาและจงกำมือให้แน่นกำไม่แน่นนั่นแหละความสุขที่แท้จริงเราไปแล้วชายวุทินิบอกยุดอย่าเพิ่งไปเรายังไม่เปิดดูเลยขอดูก่อน ยมลองหลับตาหรือพิจารณาตามก็ได้แบมือออกแล้วก็กำให้แน่นนั่นสุขที่แท้จริงชายวันนี้ก็รีบๆเพื่อค่อยเปิดเปิดเปิดเปิดเปิดเปิ ด, ป ด, ป ด, ปดจนแบมือออกมาช้าก่อนฝลพายุมือของเราไม่เห็นมีอะไรเลยฝนพายุหัวเราะชอบใจนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริง องค์สมเด็จพระพุทมีพระภาคเจ้าตรัสว่าสุขที่แท้จริงจิตอันว่างเปล่าปราศจากสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นปราศจากกิเลสตัณหาจิตที่ว่างเปล่าตรงนี้เนะี่ยคือความสุขที่แท้จริงเชื่อไม่ว่ามานบหรือหนุ่มชายวันนี้ ยังเอามากำมือและแบมือกำมือแล้วก็แบมือแล้วก็ดูว่าสุขท่แท้จริงคือความว่างเปล่าจริงหรือสุขที่แท้จริงคือความว่างเปล่าความว่างเปล่าคือสุขที่แท้จริงโยมไปคิดด้วยนะอย่าโยมลองกลับไปแบมือดูนะแล้วก็กำมือแล้ว ตานี้มองให้มั่นเลยแล้วก็ค่อยดูแกะดูแกะ ด, กะดูมันไม่มีอะไรนั่นแหละคือสุขที่แท้จริงจิตที่ว่างเปล่าไม่ยึดมั่นถือมัน่นมันเป็นความสุขจริงๆยมลองลืมอะไรทุกอย่างดูไม่ใช่ขี้ลืมนะลืมความเจ็บปวดลืมทุกอย่างวางทุกอย่างที่เราผ่านมาโอ้โหยมจะรู้สึกเลยว่า มันสบายโลภโกรดหลงเนี่ยจะไม่มาเสียบแทงใจของเราเลยแต่มามันานั่งพิจารณาบอเออนิทานเรื่องนี้สอนเราจริงๆนี่มันเกิดจากการภาวนาแล้วก็มาแต่งเป็นนิทานขึ้นสุขที่แท้จริง ถ้าพรสามอย่างเมื่อกี้พวกเราต้องการอะไรโยมว่าโอ้ยยาวเลยนะโยมคนหนึ่งฉันต้องการได้เมียสวยๆลูกอ้วนนะได้รถคันโตๆมีบ้านเป็นคลือหดัดหลังใหญ่ๆมีสระน้ำมีทองเท่าภูเขามีเพชรเท่าโอ้สรพัดที่จะวาดว่า แต่มันไม่ใช่สุขแท้จริงเพราะสิ่งนั้นก็ไม่ใช่อยู่กับเราได้นานไม่เกินร้อยปีก็จากไปอีกยมจะมองตาค้างเสียดายกูจะตายแล้วเอาไปยังไงดียมเอาไปกลืนกินเลยก็ได้ใส่ท้องไปเลยรู้ไหมยมถ้ายมใส่ท้องใครรู้นี้โดนแหวกอีกนะ โอ้ทุกใหญ่โตอีกแล้วโดนผ่าท้องอีกน้อยจะตายเล่นดันเหยา่าไปอีกโดนคนด่าแน่ลุกหลานมันด่าเลยละโยมแหมตอนมีงกจะตายยังไม่ว่าจะตายดันเอาไปอีกโดนเลยโลยมโดนเลยดีไม่มีเอ็มสิบก็รัวท้องแตกมันเลยโยมแหมมีชีวิตยอยู่นะขี้เหนียวขนาดนี้จะตาย แม้ยังเอาบีกมันโกรธใหญ่เลยนะโยมโดนควานท้องแน่ไลเห็นไหมโยมว่าจริงไหมสุขที่แท้จริงโยมไปกำมือดูนะเดี๋ยวพอทานข้าวเสร็จนั่งดูเดี๋ยวเขาว่าบ่าวเข้าห้องน้ำดีกว่านั่งดูเลยเปิดอาจารย์สมชาติบวกสุขแท้จริงสุขแท้จริงสุขแท้จริ ง, ร ง, รงมือว่างเปล่า โยมดูให้ดีนะมันเป็นจริงๆนะใจที่ไม่มีอะไรเนะี่ยมันโปร่งมันปลอดโยมเคยไหมแต่มาว่าโยมน่าจะเจอบ้างบางโอกาสบางวันที่เราตื่นเช้าๆรู้สึกใจมันว่างสบายเนะี่ยโอ้โหโยมเหมือนมันไม่มีคำพูดนะคำอิสระเนะี่ยมันเหนือคำบรรยาย มันปลอดมันโปร่งไปหมดมันเหมือนแก้ปัญหาได้ทุกอย่างไม่มีเครื่องกังวลอีกเลยทุกอย่างสบายไอ้ที่หัวเจ็บจะตายเนี่ยมันแก้ไม่ลงลนะนะติดนอนไม่หลับมือก่น้าปากหลับไม่ลงมันติดใจยมจะให้มันติดใจยมต้องปลดปล่อยเอานะ ก็สมควรในการฟังธรรมก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ขอจงรับความสุขทุกท่านทุกคนเธอ